ถามตัวเองเลยทำไมมันคิดว่าคิดทำไมคิดได้อะไรเนี่ยเนาคิดซะปล่อยมันคิดคิดแล้วก็บอกมันพอนะพอนะเลิกกันนะทีนี้ทางใครทางมันนะนะทางใครทางมันทางนี้ทางกูนะก็รู้สึกตัวทางใครทางมันทางนั้นทางคิดทางนี้ทางรู้สึกเอารู้สึกดีทีนี้ทางรู้สึกตัวนไปสู่สติสมาธิปัญญาบัพตุนิพพานนี้ทางของอริยมรร อันนี้แปลว่าข้าศึกมักมันเป็นนิโรธนิโรธคือมันว่างโล่งไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ถ้านี้ยิ่งคิดยิ่งเข้าป่ายิ่งเข้าดงโกงการนั่นโกงการนี่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเนี น, นี้อย่ามาคิดไอ้สิ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะวันนี้ก็คือหนมันจะติดอภิสังขารมานอภิสังขารมานคือเอจะพอมันได้อารมณ์มันโล่งมันโปร่งมันดีใจมันวู่นวับ ป, ปีติปัญติสมาธิอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะติด โอ้ยดีใจอะได้น้อยหนึ่งก็ดีใจโอ้ยสามีกูกัพ่อเลยแล้ววะเนี่ยมันติดแล้วมันคิดอยู่นั่นแหละมันไม่หลุดต้องเฉยกับมันให้เป็นอะไรเข้ามันต้องเฉยนะอารมณ์ธรรมะจะเริ่มเกิดเนี่ยวันเนี้ยถ้าคนไหนทําจริงทําจังเนี่ยมันเริ่มเกิดต้องเฉยกับมันให้เป็นมันจะโล่งจะโปร่งจะเบ้าจะสบายอย่าไปยึดติดกับมันบางทีมันก็อยากเทศอยากพูดอยากสอนบางทีก็นึกถึงกูกลับไปที่กูจะไปทําโครงการอันกู ฟาดเข้าป่าไปพวกนั้นนะ่ะอย่าเอามายุ่งมันนั่นแหละเขาเรียกว่ามารมารมารมานันเขาเรียกว่าเทวปุถุตมารมันมีอยู่ห้าตัวดูมดันดีๆนะรุ่นไหนรุ่นไหนก็จะมีประมาณนี้ยมาปฏิบัติธรรมคนคนหนึ่งก็จะมีอันนี้หนึ่งกิเลสสมานกิเลสกิเลสรู้จักกิเลสนะกิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือความคิดความอยากนะสองขันธมนันขันธมันคืออันนี้เจ็บแข้งเจ็บขานี่ขันธมนันมีไหมเจ็บแข้งเจ็บขามีะ ถ้าคนแก่ๆหน่อยก็ยังว่าแนละ้วตายกักๆเออกับนี่กูจะได้ไปฉีดยาเดน น, นี่ปฏิบัติธรรมว่ากูจะไปนิพพานจะลงนรกนะกูเนี่ยว่าสบายไปดีไปปฏิบัติธรรมวัดสมมันัดกลับมาสบายอตัวใหญ่กูจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยบางทีบางคนมาขอกินยาบระงห้าครั้งนล่วนะไม่มีหรอกยาที่ไหนเ่ย ไม่ต้องอยากกินเจ็บก็ดูเจ็บปวดก็ดูปวดเนี่ยยมคุถึงมาปฏิบัติทําแกวิ่งผ่านม้หินนี่แหกอึก้ขาแกนนะลวดน่นเห็นไหมเย็ยบสิบเอ็ดเข็มแกไม่ยอมเย็บเดินดูมันเลือดออกเต็มขาเลยคือลูกแกวิ่งกลับบ้านนะ่ะมันทำไมมันไม่อยากปฏิบัติแล้วแกวเดินจูงกลมอยู่แกรีบเดินพอออกตรงไม้หินนี่มาเหล็กลวดที่มันยื่นนะั้มันคมแหกขาเนี่ย เนี่ยมาขาเป็นไรอ่ะดวงตาลวดมันเกี่ยวในดูดิมาเปิดให้ดูทั้งผ้ า, าขาดเลนะื่อยไอ้ทำไมไม่เย็บนะ่ะแปลกนะใจหนูสบายนะลวงตานนี่นะใจมันสบายไม่ได้คิดอะไรเจ็บก็คือเจ็บแนละ้ว ม, มันเหมือนแยกคนละอันนะ่อหดวงตาก็เออคอดีแล้วละ่ะไปเย็บหน่อยไปคือกลัวมันเน่าอ่ะ เป็นแผลเป็นเลือดลังไปเย็บหน่อยปรากฏว่าเราไปเย็บทั้งสิบเอบข็มแ่ะไม่ได้น้อยนะแล้วมันจะหายเร็วขึ้นคือเราขอได้แค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วฝึกลุกสิทธลุกหาก็เห อ, อย่างนี้นั่คือเอา้าไม่เห็นว่ามันเป็นตัวกูของกูเท่าไหร่นะดูแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาเนี่บางคนแค่เดินไปนี่ก็ลองช้าแล้วอันนั้นนี่ก็โอ้ยปวดเห็นไม่เดินในไม้หินนั่นแ่ะ โอ้ยตัวกูของกูมกันทำไมไม่เดินจู่กบปวดฝาาว่าเท้าลงถ้ปวดฝาาว่าเท้าขอน้ำอุ่นมาแช่ได้ไหมโอ้ยรอไปลงหมอนระกทีเดียวเลยเถอะต้มทั้งตัวเลยนะต้มนั่นต้มนี้คือ7จ็วันนี้เอาจริงงกลับไปแล้วก็ไปทำเถอะทำยังไงก็ทำานหะเราจะนอนในหม้อน้ำร้อนก็ทำเถอะแต่มาอยู่ในนี่คือจะไม่อันนั้นเลยเนะี่ยรีบทำเนี่ยมัจะหมดเวลาแล้วนี่ เนมันจะหมดเวลาแล้วต้องเอาจริงเอาจังนะ่ะคือจะเห็นมันเป็นตัวเป็นตนนักเลยบางคนก็ปวดหัวบางคนมาขอลุงตาปวดหัวตั้งแต่มาแล้วเนี่ยเป่าให้หนูหน่อยโอ้ยไม่รู้จะทำไงลุงตาคับตกใจนะเอายังมีหัวกูอยู่นี่ว่ามันกลัวนะบอกว่ากืนกินหมดแล้วมาเป่าให้ได้ ล ก, กลัวอะไรคนเจ็บหัวตลอดนะทำไมมัน ม, มาจากบ้าน<ม>เจ็บไหมไม่เจ็ บ, ม, จบมาที่นี่นตั้งแต่ปฏิบัติวันที่สนี่พอเอาจริงแล้วเจ็บเลยเอย่าโอยมันเอาจริงเกินไปโดนถามว่าไปไ ป, ไปดูที่โลง่ลงๆมองไกลๆทําใจสบายเดี๋ยวมันก็คลายไปหรอกมันไม่เจ็บหรอกอย่า<ม>อยากมากมากดินะเอาหนูก็ไม่ได้อยากนะทำสบายสบาย เอาแล้วไม่อยากบรรลุเลยจะมาทําไมอ่าเกิดอารมณ์เลยทีนี้มันเอ้จริงนะมันก็ไม่บรรลุเดนะ็นทําไมมันพอดีอยากให้อยากพอดีอยากขั้นชันทะฉันทะมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังศัยอยากคือศรัทธาให้มีศรัทธาศรัทธาคือต้องมีปัญญาต้องสังเกตดูด้วยถ้าไม่สังเกตไมิจะศรัทธาเลยยากเอาเมื่อวานถามดูเอาดีขึ้นแล้วนี่โอ้ออกจากความ จีบหัวได้เนะ่ยโล่งจังนะเขาว่าเอ้าดีอืคนไหนมีปัญหาก็มาถามได้หลวงตาก็ไม่มีเวลาพอจะเดินไปดูทุกคนนะนะให้มีปัญหาก็ว่าคุยถามได้โอ้ยผมเป็นยังไงผมเป็นอย่างงี้ก็ว่าไปได้บางทีมีโอกาสเดินไปก็เดินไปถามพระบีเลี้ยงด้วยกว็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ ถามก็ถามแล้วรีบหยุดทันทีรีบไปเดินถามตั้งแต่เช้าถึงเพลิ่กก็เกินไปนั่นนี่นยเรียกว่าไม่ชีเรกว่าแก้อารมณ์นะเขาเรียกว่าติดอารมณ์ฉันระวังนะเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นขันธมานเจ็บหัวเจ็บปวดอะไรไหมปวดอะไรไหมนั่นแหละใครอยากได้หน้าอกใหญ่ๆนะสร้างจังหวะมากๆไม่ต้องไปฉีดหรอก เดี๋ยวมันเป็นเองอะ่ะมันขึ้นมากล้ามมันขึ้นมานะอเป็นกล้ามเนื้อนนะแต่ไม่ใช่ไขมันนนะเป็นกล้ามเนื้อมีคุณภาพพอกลับไปเลยเนี่ยไม่ต้องยกไหล่ยกอะไ ร, อ, ะไรองมันเป็นเองกิเลสกิเลสก็คือ<ก>ความคิดความอยา ก, กอยากในอดีตอยากในเด่น<ก>รูปรถสินเสียงเนี่ยแล้วก็มี เทวปุตตมานความหวังดีกับคนอื่นเทวปุตตมานมาในรูปแบบของเทวดาคิดดีคิดถึงเพื่อนถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงโอ้ยอยากพามาปฏิบัติธรรมดีแต่มาแล้วเขาโคตรไว่ของมึงละ่ะเกือบตายนะึกว่าจะมาถึงวันนี้เนะี่ยแล้วจะไปชวนเขามาเขาจะเอาเหรือไม่ใช่ของง่าย น, ะนี่หลายหลายคนนะได้ยินเขาว่าดีนะวัดโจมนัดมาทีแรกวันสองให้กมาพิทีแต่นะี่ เฮ้ยคุณว่าโล่งฆ่าส <laughs> นะัตว์เนี่ยอืมันไม่เอาปานนี้มันก็ไม่ได้เราต้องหักดิบนะกิเลสเนี่ยเข้าใจไหม <c oughs> ที่ผ่านมาเราทำํำเล่นๆหัวที่นี่เราไม่ได้เอาดนตรีกีฬาเป็นตัวจูงเั่นนี่เนี่ย <c oughs> เอาความสงบนะเอาความจริงความจังเข้าให้ถึงอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> เขาให้ได้ทําให้มันเป็ี่ยนะ มันไม่ต้องไปคิดถึงใครมาอยู่ที่ไม่ต้องมีโครงการอะไรวางว่ามันคิดมากวางไว้นี่มันเป็นมารแบบหนึ่งที่พระพุทธมารมาในรูปของความดีความดีความงามมันจะผุดออกมาเรื่อยๆคิดนั่นคือพอมีสติแล้วมันชอบคิดดีพดุ่นเลยสติในน้อยที่คิดดีเนี่ยแต่ก่อนถ้าไม่มีสติจะคิดชั่วแต่พอมีสติแล้วจะคิดดีขึ้นมาแต่พอเราหยุดฝึกเนี่ยสตินี้จะหายมันก็กลับไปชั่วเหมือนเดิมนะผมมันยังไม่ถึงขั้นมันนั้นคิดดีก็ตัดทิง้ง พอตัดความคิดดีได้ทีว่าปุตตมันหลุดออกไปเนี่ยกิเลสมาหลุดไอเจ็บขันธมา น, นี่ก็หลุดปุ๊บมันก็จะเป็นอภิสังขารมานันะอภิสังขารมันก็คือมันจะเกิดโล่งแบบที่ไม่เคยเห็นอภิสังขารคืออภิแปลว่ายิ่งใหญ่อารมณ์ในวิปัสสนาจะเริ่มปรากฏความโล่งความปรง่งบางทีก็สว่างจ้าขึ้นมาไวายในนะความแจ่มใสความตื่นขึ้ น, นมานี่ เกิดปีที่เออปิมบางคนก็ตัวเบาเท้ามันไม่ติดพื้นเดินในสโลโมชั่นชุบชุแล้วมันเร็วมากมันไปเองมาเองระวังดีไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าอภิสังขารมันเป็นมานแบบหนึ่งอย่าไปตามใจมันนะให้รู้สึกธรรมดารู้สึกสังเกตอย่าไปดีใจมันโหดดีใจไม่ได้วันที่เขาอยากไปบอกวายกูเป็นอะไรกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันจกเนี่ยมันจะพูดน่ยเข้าใจไหมมันดีใจอย่าไปพูดนะถ้ามันพูดหายจนดีนะ หายดันที่เนะ่มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจูเลือนไหวนะเวลานอนก็นยิ้มคนเดียวไนะหว ก, ก, กักไหลคักไหลดีครับยิ้มอยู่คนเดียวแล้วมันจะงุนหงิดกับคนนั้นคนนี้บางทีก็สงสารคนนอนใกล้ๆนะบางคนนอนโอ้พดอป้าไซส์สาละนูมึมงนี่เนาะต้องเป็นแบบกูนี่นะกูเห็นแล้วเนี่ยมันจะดูถูกคนอื่นอีกเด้แล้วมันจะงุนหงิดแล้วคุยกัน ออไม่อยากอยู่แล้วกลุ่มเนี้ยอันนันเนี้ยจ้างมึงก็ไม่รู้มันจะเริ่มตำหนิติทิ้งคนอื่นน่ะดูถูกคนอื่นพอได้อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นวิปัสนาปัญหามันเนี้ยมันจะรู้รูปรู้นามแหละเนี้ยแต่ถ้าไปยุ่งกับมันมากเนี่ยมันจะไม่รู้นะมันจะดับหายนะต้องเฉยกับมันให้เป็นมันโล่งโล่งก็รู้โล่งรู้สึกตัวสะสมตัวรู้สึกจนความรู้สึกมากขึ้นแมันจะส่งเราผ่านมิติอีกอันหนึ่งฮะดังนั้นเราจะได้แค่นี้ ได้ในน้อยเ น, นี่ยบางคเฮ้ยได้แค่นี้ก็ ด, กดีเลยหรอเว้ยดีก็ง่วคือมันจะไม่ง่วงไม่เหงาเลยอะมันจะผ่านได้โอ้โหลูกตาว่ามาเจ็ดวันถ้ามันไม่ได้ทําจริงทําจังป่านี้โอ้ ย, อยพอเอาคอไปหันขาหมาตายแล้วล่ะอื ม, มันต้องเป็นนะอภิสังขารมานันเกิดโอภาษเกิดยานเกิดปีติ เกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดเข้าใจอันนั้นอันนี้ก็อันนั้นก็เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจเกิดศรัทธาเต็มที่เลยทีนี้มันเกิดปิติเกิดศรัทธาเต็มที่ น, นั้นถ้าไปอยู่ในบางวัดนี่เขาไม่ได้มองให้หาทุกนะพอมีปีติพูดให้เคลิบเคลิมสักพากกองญาโยมทั้งหลายตัวเราเป็นอนัตตานะชีวิตเกิดมาในถือว่าเรามีบุญนะ ได้ปฏิบัติทำแล้วได้อารมณ์ถ้าเราสั่งสมบุญมาแต่ชาติปางก่อนจึงมีวันนี้ดังนั้นเราจึงพยายามขอให้ท่านทั้งหลายพ่อปุณบุญกุศลให้มากขึ้นนะจ๊ะสร้อยคอที่อยู่ในคอท่านก็เป็นอนาตานะถอดมันออกมาซะบริจาคทานไป แหวนพวกนี้เงินทองเข้าของผู้จนเคลิบเคลิ้มเอาไปมาตัวเบากับบ้านไม่เหลือสักบาทนุ่งเรียงพอมีปิติเนี่ยบางแห่งเมืองที่เขาจะปล่อยเชื้อพอมีปิติแล้วเนี่ย ป, ปล่อยเชื้อศรัทธานี่เขาไปหมดเนื้อหมดตัวนะทําบุญดําทานนะยากคือเราก็ศรัทธาเต็มที่พรเราไม่เคยเห็นไง แต่ที่จริงพอมีสมาธิพอมีสติให้เอามาสังเกตทุกดูทุกไปเรื่อยเรื่อยนะอย่าให้มันไปติดกับดีใจอย่าไปมีความเชื่อมันจะหลุดไปซะนะพอมันมีปีติมันเสี่ยงเสี่ยงตรงที่ว่าเขาพูดให้เห็นนรกก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เห็นสวรรค์นะแต่นี่จะให้เห็นทุกอันนี้เห็นอดีตชาติที่เป็นมาแต่ปางก่อนเห็นไหมอย่างนู้นมันไปแต่ดีบวกกับจินตนาการเพราะสมาธิมันไม่บริสุทธิ์ไงมีปีติอันนี้น่ะ มันจะสะกดจิตได้ง่ายขึ้นนะไม่เล่ายังหลายๆสํานักเขาใช้พวกเนี้ยบางทีเขาก็พูดพรอมีอารมณ์ดีก็บุญคุณบาปบุญพ่อแม่ชาติปางก่อนเป็นอย่างน้นอย่างนี้ก็เคลิบเคลิมไปแต่เดียไหลไปแต่เดียเนี่ยคือวิธีการฝึกที่เขาทํากั น, นเขาอบรมจริยธรรมอบรมอะไรย่า ง, างให้มีประมาณนี้จิตมนุษย์เนี่ย เสร็จพวกกวันหนึ่งก็พูดถึงบาปุลพ่อแม่ก็เช็ดน้ำหูน้ำตาอยู่วันนี้นให้คล้อยนะพวกนี้จะชอบทำบุญทำทานแต่เพราะไม่เกิดปัญญาหรอกเพราะว่ามันมีแค่ปีติแต่ปีติก็ไม่ได้เกิดจากสติอันนี้แต่ถ้าเกิดจากสติแล้วมันมีปีจะมันจะเออบิ่มแล้วมนันเป็นความเข้าใจชีวิตปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมเลยเป็นความแจ่มแจ้งขึ้นมานะ่ะแต่ยจะไปหลงมันเวลาทำก็ทำแบบคนเข้าใจอ ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจิตมันจะว่างว่างแบบไม่มีอะไรนะมันจะโล่แต่อย่าเพิ่งไปคิดอะไรกับมันรู้สึกไปเรื่อยอีกสักพักหนึ่งมันจะเริ่มซึมก็ามาใหม่แต่สังเกตดูตัวง่งตัวเ ง, งาไม่ต้องไปถามถึงหรอกมันไม่มีแต่มันไม่มีในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆ น, นะเราจะเริ่มรู้จักความไม่มีทุกข์มันเป็นแบบนี้นะเริ่มรู้จักนิโรธน้อยๆนะด้วยอํานาจสมาธิจะไม่ใช่ปัญญายานแท้จริงอ่ะ เริ่มีแต่จะไปดีใจกับมันพยายามประคองไปพยายามประคองเดินให้มากขึ้นทีนี้เดินรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ยังไม่รู้นี่ให้นั่งสร้างจังหวะเยอะๆสร้างจังหวะเยอะๆพอเนี่นก็ไปเดินพอเดินแล้วก็นั่งสร้างจังหวะเยอะๆพอรู้ลูบนาบีเดินเยอะทีนี้เดินเยอะมันคิดอะไรปล่อยไปมันคิดอะไรปล่อยไปธรรมะธรโมอะไรมันคิดเรื่องนั้นช่างมันเอาคําพูดคําเทศะไปคิดปล่อยวางไปกลับมารู้สึกตัวเยอะ ไม่ใช่ไปคิดเป็นนึกอยู่นีนะ่มันไม่ได้เจอสภาวะธรรมนะสุดท้ายมันจะมีมารตัวหนึ่งที่จะเข้ามาอันนี้มารตัวสุดท้ายที่มันเข้ามาเราต้องรู้จักหน้าตามันดีๆนะเขาเรียกว่ามัจจุมานมัจจุราชมารหมายถึงอะไรรู้จักไหมหมายถึงความตายเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ความตายนะ ลุงแต่ว่าเอาแค่นี้ก็ได้หรอกพวกเราเนี่ไปเรียนรูปมันสามสี่ตัวนี้ก่อนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งใจทําฝึกรูมันดีๆศึกษามันเรียนรู้มันยังให้เข้ามาเอาความรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยตัดมันออกทําลายมานันออกนะถ้ามันไม่ไกับพิจารณาอย่างลงุงตาว่าพิจารณาเรื่องกายเรื่องสังขารไอ้ความยึดติดในโลกพิจารณาถึงความตายความปรุงแต่งอะไรประมาณเนี้ยนะเอามาช่วยเป็นอาวุธ ตัดมันออกคิดไปทำไมก็แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรนะคิดคิดได้คิดแล้วกลับมารู้สึกตัวนะคิดเอาความคิดตัดความคิดก็พอได้แต่เมื่อไหร่ที่ได้สติดีๆนี่สติจริงๆคือสติจะตัดความคิดเองเป็นวิปัสนาตัดชุดครงเดีย ว, วหายไปเลยแต่บางคนตัดแล้วตัดอีกยังสับยังมียังงอกอยูนะ่ต้องให้เอาใหม่ๆก็เอาความคิดบ้างเอาอะไรบ้าง เบีเ่ยงเบนความสนใจบ้างมันก็คลายไปได้นะอาจจะเปลี่ยนอิริยบทบ้างบางทีมันไม่ไหวก็ยืนขาเดียวสร้างจ่อยืนสร้างจ๋ยวนี้เราเดินกับนั่งเราไม่เคยยืนทํายืนเดินนั่งนอนนี่อย่าพิ่งใจนะฮะมันไม่มั่นใจอ่ะเอาไปใช้ที่บ้านห้องอริยบทสี่นะยืนเดินกูน ย, ยังไม่ครบว่ะนอนใช้เนี่ยโอ้ยมันพอดีนะสติมันยังอย่าเพึ่งอย่าพิ่งนะอาวุธอย่านั้นอย่าพิ่งใช้ อย่าพึ่งใ้อย่าไปฝึกในอริยบทที่มันยากมันจะจนมุมมันเดี๋ยวมันจะบอกหรอกเฮ้ยมึงพิงเสาก็ได้ขยับไปตันนั้นก็ได้เราพอทำได้แล้วละเสร็จปุ๊บมึงก็นั่งดูลมหายใจเอาก็ได้หลับตาเอาก็ได้สหน่อยมึงเอาเลยดิงบงบงงบงบงเนี่ยแต่พอมันเป็นผู้เวลาคนทักมันก็เถียงเป็นะมเริ่มมีเหตุผลเอ้า มึงว่ากูหลับเหรอไม่นะหลั บ, ลบนอกตื่นในนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยุ่งกับมันนะเนี่ยนั้นใส่ใจนะตั้งใจวันนี้วันที่เท่าไหร่ของการปฏิบัติห้าแล้วเหรอห้าแล้วเหรอในเลิกวันที่ห้าหนันะ่นน่ะ วันที่ห้าโอ้ยวันที่ห้าของการปฏิบัติวันที่ห้าก็น่าจะดีแล้ววันที่สี่ดีขึ้นนะปกตินี้วอนจะมีประมาณสามวันวันที่สี่เริ่มนี้วันที่ห้าจะแจ้งไม่แจ้งกับวันนี้แหละดีเนะเนี่ยยกพลขึ้นอ่าวพอนาเบอร์นะเนี่ยวันเนี้ยโตมตีแหลกรานนะหรือจะขึ้นที่สตหิบประชวบกีดีขันก็เอานะนะเราต้องทําให้มันเป็นญี่ปุ่นนะวันเนี้ย ปุ่นปี้ไปเลยเนี่ยวันนียตายก็ตายแล้วนะทอมีผ้าถุงก็เเนกใส่เอว ล, วลุยแล้วันนี้ตายเป็นตายนะนะถอดหมวกสู้แล้ ว, วันนี้อากาศก็ดีมากวัเ น, นียแต่เขาบอกว่าสกลคอ น, นจะลงถึง12องศานะท่านทั้งหลายอยากชมความหนาวก็จะพึ่งกลับนะนนี้มัน21่สิบเนี่ย วันก่อนนะลงมานะสิบสิบเจ็ดเองนะเ่งจะลงไปถึงสิบสององศาลุ่งใตอยู่นี่แต่ก่อนใบกล้วยตายเลยนะลบสามใบกล้วยตายแง้งหมดใบไผ่นี่เหลือแต่ลำมันอนะร่วงหนาวหนาวมากแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยหนาวอะ่ะสี่ห้าหกปีสิบปีไม่ได้ไม่หนาวแต่ก่อนนะั้นหนาว แก้มเด็กนี่แตกมดเนี่ยเด็กนี่นี่นนเวลาเรานั่งใกล้ๆเห็นเขาอุ้มลูกมานนะทำบุญนี่เห็นแต่ตรได้ยินแต่เสียงแปะแปะเอาเตรียมทัวกลับัะ